ในก็วันนี้ก็หลวงตามหาบัวขุนนัเลศของเราเนี่แหละไปในมณโฑหลว ง, งตาเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในนั้นแหะเมื่อวานเนี่ยนั่งอยู่ที่กุฏิหลวงตากับวัลธนาหลวงตาหลวงตาโอ้ก่อนที่จะโอเคตกลงได้นะเป็นเวลาเกือบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมืนั้นเถะขอท่านท่านก็ออเออผลที่ได้ท่านก็ตกลงตกลงว่าจะมาวันนี้นนะแหละคณะก็เลยพูดตกลงกับเครื่องบิน ถหารเรือจะบินจากอุตภเป่าขึ้นไปถึงอุดรแล้วก็จะรับหลงตากับคณะ15 15ท่านทั้งหมอทั้งพระผู้ติดตามด้วย15ท่านจะลงมาที่ดอนเมืองแล้วก็จะนั่งรถจากดอนเมืองไปที่สิดิราชจะใช้เวลาไปถึงสิริราชประมาณบ่ายสองโมงกะกันไว้แต่เมื่อไปถึงสิริราชแล้ว แต่คุณนเล่กับพวกผู้กำกับข อ, อนุมนไปกลับว่างั้นเถอะจะไม่ค้างแต่พอมาถึงสิริราชแล้วแต่คดาดวันนี้จะมาถึงบ่ายสองโมงจากนั้นคือจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคือจุดประสงค์ก็คือบางคนกว่านลำไส้อุดตันที่เป็นที่มีน้ําในกระเพาะเนี่ยที่หลวงตาเดือนี่ก็ยังใช้ใช้สายยางเข้าทางจมูกเพื่อดูดน้ำออกออกจากกระเพาะเนี่ยสีเขียวนะ สีเขียวทีนั้นก็ลงตาท่านก็ยังยังยังใช้สายยางอยู่แต่วันนี้จะถอดออกหรือไม่จะหมอทักทุกหมอเหมือนกันเถอะทั้งหมอทีริราชทั้งหมออุดรทั้งหมอขอนแก่นบอกว่าอยากจะรู้ว่าในลำไส้ของลงตาเนี่ยมีอะไรอุดตันจริงไหมหรือมีอะไรหรือลำหรือตับอ่อนอักเสบหรือว่าเลือดมาเลี้ยงกระเพาะไม่พอ คือสงสัยทั้งหมดงานแต่แต่มาคราวนี้ล่ะวันนี้ล่ะจะมาถึงศีดีล่ลาแล้วก็คงจะเอ็กซรเลคอมพิวเตอร์แล้วก็คงจะทำวิธีทุกอย่างที่จะทำได้นะตรวจสุขภาพลงตาแต่ลงตายุก9าปีเนอปีนี้98ปีนี่แหละ98ปีเข้ามาละเดือนสิงหาเนที่ผ่านมาเนี่ยแต่คราวนี้ก็คงจะรู้ล ะ, อะไอเป็นอะไร